ตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่อย่าส่งใจออกไปข้างนอกให้กำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันสม่ำเสม อ, อไปหายใจเข้าสัน้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นจิตมันจึงไม่คิดพุ่งไปทางอื่น ถ้ามันจะคิดก็ให้มันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนถ้าได้นึกอย่างนั้นแล้วก็ใจจะได้สบายขึ้นถ้าไปนึกถึงเรื่องอื่นเล้วมันไม่สบายมันก็ให้เกิดกิเลส ถ้านึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเราเราจะรู้สึกกว่าเย็นใจสบายใจเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระทัยเบิกบานของใสเยือกเย็นไม่เราร้อนเหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นาต้องนึกถึงความสงบความเย็นของพระองค์นั่นแหละเราจะทำให้ใจของเราเย็นลงไปเรื่องจิตใจนี่มันต้องปรับปรุงมันยึงค่อยดีได้ ถ้าเราปล่อยไปตามยะถากรรมแล้วไม่ปรับปรุงแลวมันมันจะดีไม่ได้เลยมีแต่มันจะเลวไปดังนั้นทุกคนให้พึงสำนึกตนให้ดีต้องสำนึ ก, กว่าตนนั้นนะต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์ คือเท่าความทุกข์แล้วไม่มีใครปราถนาแต่ไม่ปราถนาถ้าหากว่าไปยึดเอาเหตุแห่งทุกข์ไว้ในใจใจก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอนนะเพราะว่าทุกข์นะมันมาจากเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆย mm hmm. เช่นทุกข์ใจอย่างนี้นะ เมื่อร่างกายนี้มันวิบัตรไปแปรปวนไปไม่รู้เท่ามันโดยสำคัญจะเป็นของเราอย่างนี้จิตนี่ก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนแล้วกลัวว่าจะตายจากกันไปนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าความทุกข์ของจิตมาจากเหตุนี้ เหตุที่ไม่รู้เท่านี่นะเหตุที่ไม่รู้เท่าก็เพราะไม่ไม่ได้เพ่งพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงมันถึงได้เป็นทุกข์เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเรื่องเรื่องภายนนอกนอกกายนี่ออกไปถ้าหากว่าไม่รู้เท่าแล้วก็เป็นทุกข์ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแต่มันก็เป็นเรื่องหลอกตารวงใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันถึงมันจะไม่เที่ยงรูปวางสิ่งบาอย่างเมื่อมันเจริญขึ้นทีแรกนั้นรู้สึกว่ามันสวยงามเปล่งปลั่งสิน รูปที่ไม่มีวิญญาณได้แก่เช่นดอกไม้อย่างนี้แหละเมื่อมันแรกบานขึ้นมาเ น, น่มันก็รู้สึกว่าสวยงามสีสันวันนะอะไรก็เปล่งปลังอ่าแต่อย่างนั้นท่านไปไปแล้วมันก็โรยไปเหี่ยวไปเหี่ยวไปความสวยงามก็หาย ฉันใดรูปกายที่มีจิตวิญญาณคลองนี่ที่เราสมมุติกันว่าคนว่าสัตว์นี่มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะแรกเกิดมาเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาร่างกายก็เปล่งปลังผิวหรรณวันนะอันใดก็สดใส มองดูแล้วรู้สึกว่าสวยงามอย่านี้แต่คันเมื่ออยู่ไฟอยู่ไฟแล้วรูปอันนี้มันก็เริ่มทรุดโทรมไปผิวพันที่เคยเปล่งปังก็สูบซีดลงหนังที่เคยตึงเคยเปล่งปังมาก็หย่อนยานลงไป ไม่ตึงอยู่เหมือนแต่ยังหนุ่มยังสาวตาก็มัวหูก็อื้อฟันก็โยกคลอนไปอันบูนี่ถ้าบุคคลไม่พิจารณาไม่เตือนใจไม่สอนใจตัวเองมันก็เป็นทุกข์เลยเวลาที่มันเปล่งปังอยู่นั้นก็สุขสบาย รื่นเริงบันเทิงใจขั้นเมื่อเวลามันชำรุดสุดโทรมลองกอเศร้าใจเดือดร้อนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงนี่ความทุกข์ของใจมันมาจากเหตุหรือมาจากปัจจัยคือ อวิชชาก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เพราะไม่ได้ผากเพียนเพ่งพิจารณามันมันไปจากนี้แบบนี้นะที่มันไม่รู้นั่นนะเกิดมาชาติใดก็มาแต่มัวแต่เมาแต่เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสต่างๆอยู่อย่างนั้น ไม่ได้มีสติทวนกระแสจิตความคิดนึกเข้ามาภายในมาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรกันมันเป็นของน่ารักจริงหรือมันเป็นของน่ากเกลียดหรือไม่ได้พิจารณาเลยตั้งแต่ ในต่ไลมาจนถึงชาติปัจจุบันนี่นั่นมันถึงได้ติดถึงได้คล้องอยู่นี่เมื่อผู้ใดมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้มาทวนกระแส จ, จิตความคิดความนึกคำามาเพ่งพิจารณาดูมันก็รู้เท่านั้นนะเพราะว่าของมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าของไม่มี ของมีอยู่แต่ตนก็ได้อาศัยร่างกายอันนี้อยู่ด้วยคือดวงจิตเนี่ยแต่เมื่อมันหลงมันเมาแล้วมันหักไม่พิจารณา อ, อ่มันบุกร่องอยู่ตรงนี้เดื่องมนะันถ้าผู้ใดไม่หลงไม่เมาตื่นตัวได้ตั้งใจได้ตั้งใจให้สงบลงได้อย่างนี้มันก็รู้ตัวได้เลยแบบนี้ มันก็รู้เรื่องอัตภาพร่างกายนี้ได้เพราะว่าความคิดความนึกต่างๆมันมันดับไปแล้วมันมารวมอยู่แต่ในความรู้อันเดียวนี้เราเอาความรู้อันนี้มาพิจารณาร่างกายนี้แบบนี้นั้นไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปทางอื่น มันจึงได้เห็นแจ้งตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราของเขาแล้วเมื่อก็อดได้ทนได้แบบนี้นะเมื่อเวลาร่างกายนี่มันแปรปรวนไปโรคภัยเบียดเบียนให้วิบัติแปรผันไปจากปกติเดิม ถึง เ, เวลาร้อนก็ร้รอนจัดบทมันหนาวก็หนาวจัดเช่นเป็นไข้จับสั่นอะไรพวกเนี้ยมันไม่ปกติอยู่ได้กเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ต้องปกติต้องให้สันนิฐานอย่างนั้น พอเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นมันจิตทนอยู่นิ่งๆได้หรือมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็วันไว้ไปมาแปรผันไปลักษณะอาการที่มันแปรผันวันไว้ไปมานี่แหละท่านเรียกว่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้ หมายความว่ามันทนอยู่นิ่งๆตลอดไปเลยนะไม่ได้เราร่างกายอันเนี้ยต้องได้ประครบประงมต้องได้บำรุงรักษาอยู่ด้วยยุกด้วยยาด้วยอาหารการบริโภคต่างๆนันหนาวมากก็เอาผ้าห่มมาหม่มให้มันอุ่นไปมันยังพอทรงอยู่ได้ ถ้ามันหนาวมาแล้วไม่มีผ้าห่มอะไรเลยไม่มีเครื่องอบอุ่นอะไรเลยเ น, นี่ยไม่ไหวเลือดกระด้างเลือดไม่สูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้แล้วก็ตายเท่านั้นเองคนเราอืมมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่จึงว่าร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ได้เพราะเรารักษาประคบประงมมันอยู่ต่างหากมันจึงพอประทังอยู่ได้อย่างนี้ แต่ถึงจะประครบประ ง, งมจะบำรุงรักษามันให้ดีอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอยู่ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองไงถึงเวลามันแปรปรวนไปแล้วมันก็แปรปรวนไปแล้ววนันนี้อืมมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลยท่านจึงเรียกว่ารูปังอนาตารูปนี้ไม่ใช่ของเรา ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ยังจะมาหวงว่าของเราอยู่หรือปัญญามันก็ต้องถามจิตตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้จะสมควรหรือที่มาถือว่าเป็นของเราของเขาอยู่อย่างนี้ไม่สมควรเลย เพราะอะไรนะก็เพราะว่ามันไม่ยั่งยืนอยู่ได้เนี่เมื่อมันหมดเหตุปัจใจของมันแล้วมันก็แตกดั บ, ดบทาลายลงผู้ใดมาหวงแหนว่าของเราอยู่เหมือนก็โง่แสนโง่เลยจิตเนี่ยมาหวงของไม่เที่ยงมาหวงของที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาไว้ ก็ให้นึกว่ามันจิตนี้มันโง่เต็มทีอ่ะมันถึงได้ห่วงไว้อย่างนั้นมันไม่รู้นี่นั่นแหละเรามาฝึกจิตให้มันรู้มันฉลาดขึ้นมามันมันจึงปรุงจึงวางรูปนามอันนี้ได้อถ้าจิตนี้ไม่รู้ไม่ฉลาดแล้วมันจะปรุงไม่ได้วางไม่ได้เลย ถึงแม้มันไม่เที่ยงมันก็ยังยึดอยู่นั่นแหละถืออยู่นั่นนีละถึงว่ามันทุกข์ทนได้ยากลาบากมันก็ยังว่าเราเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละมันยังสำคัญว่าเราของเราจนว่าหมดลมหายใจนูนะ่นแหะเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งจากใดนะดังนั้นน่ะมันถึงได้ไปหาที่เกิดอีกใหม่ เพราะมันไม่ยอมปรงไม่ยอมวางมันจึงต้องไปหาที่เกิดอยู่ร่ำไปต่อเมื่อใดผู้ใดมาภาวนาทำใจให้สงบลงไปเพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้วมันจึงปรงจรึงวางลงได้ เมื่อมันปรงวางได้โดยเด็ดขาดจริงๆดวงขีดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปอาศัยรูปนามอันนี้ต่อไปอีกในอนาคตไปนู่นมันก็อาศัยอยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละเวลาเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ยังไม่หมดก็อาศัยมันไปก่อนเมื่อเหตุปัจจัยนี้มันหมดลงไปแล้วก็ แล้วกันไปก็ไม่ต้องไปหาที่เกิดใหม่อีกแบบ น, นี้นะเพราะว่าปรงลงไปแล้วนี่วางลงไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีแต่ทำความรู้เท่าอยู่เท่านั้นเองรู้เท่าอยู่เมื่อเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่มันมาตกแต่งอาถรรพ์ร่างกายนี้ให้มันยังไม่หมด มันก็ยังไม่แตกไม่ดับ ก, ก่อนแต่มันหักค่อยล่อยหล่อลงไปทีละน้อยละน้อยไปดังนั้นร่างกายอันนี้มันจึงสุดโทมไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนั้นนะในระหว่างที่มันสุดโทมอยู่นี่เนะี่ยมันลำบากมากนะดวงจิตที่อาศัยอยู่ในรูปร่างอันนี้นะมันได้ความลำบากมาก แต่หากว่าเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้ปรงผู้วางขันธ์ทางานี้โดยปัญญาอันยิ่งแล้วถึงจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็รู้ไปธรรมดาไปเฉยแต่ดวงกิจนี้ไม่กระวนกระวายไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระสายอดทนต่อความแปรปรวนของร่างกายนี้ไปได้ นี่ธรรมดาท่านผู้รู้เท่าเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามผู้ไม่รู้เท่าแล้วเวลาร่างกายนี่วิบัติแปรปวนไปจิตก็แปรไปตามกระสับกระส่ายไปตามอืดินโรนเดือดโร่นไปตามเนี่ยในระหว่างผู้รู้แจ้งกับผู้ไม่รู้มันย่อมแตกต่างกันอย่างนี้ แล้วเราจะยอมเป็นคนไม่รู้อยู่อย่างนั้นเรื่อยไปหรือนั่นเป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องถามตัวเองจะไปให้ใครนั่นสอนตัวเองตลอดไปหรือบังคับตัวเองให้ทำอย่างโน้น อ, อย่างนี้ไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องฝึกตัวเองสอนตัวเอง เอาเองถ้าตนเองสอนตนเองไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยมันก็จมอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์นั่นแหละเลี้ยวก็หาที่เกิดอยู่ร่ำไปเมื่อปรงไม่ตกวางไม่ลง <c oughs> ดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจ กูได้นอนใจเท่าไรไม่ขอนขวายไม่ภาคเพียนเพ่งพินิษก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักไปเรื่อยๆความสะดุ้งหวาดกลัวอันใดก็มีก็เมื่อจิตมันยึดขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่มันก็กลัวตายแลยนั่นนี่ถ้าจิตมันรงมันวางขันห้านี่ลงได้แล้ว มันไม่กลัวตาย <c oughs> มันไม่กลัวตายเพราะมันเห็นแจ้งว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายอยู่ในนี้เลยมีแต่ธาตุสี่ขันหามันแปรปวนแตกดับทำลายไปเท่านั้นเองเหตุนั้น ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจึงไม่กลัวจึงไม่กลัวต่อความแตกความดับของธาตุสี่ขันห้าอันนี้นี่การปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึ ก, กจิตใจดวงนี้ให้มัน <c oughs> <c oughs> การฝึ ก, กจิตใจดวงนี้ให้มันรู้ให้มันฉลาด มันรู้แจ้งในธาตุสีขันธานี่ตามเป็นจริงแล้วมันจะได้ปรงได้วางลงดังกล่าวมานั่นนะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็มีอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาเอาเอง <c oughs> ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรม เพื่อให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อให้ได้มาเป็นเจ้าจากักรพรรดิราชเสวยอำนาจอันยิ่งใหญ่ในโลกาอันนี้ถ้าผูใ้ใดปรารถนาอย่างนั้นก็เท่ากับว่าปรารถนาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่ำไปเลยมันเป็นอย่างนั้น ถึงไม่ปรารถนาถ้าหากว่าบุญกุศลมีมันก็เป็นไปเองมาเละมันตกแต่งให้เองเมื่อจนยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มบริบูรณ์ในชาตินี้อย่างนี้นะมันก็ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรยังไม่ได้ก่อนบุญกุศลอันนี้มันก็จะ นำไปเกิดที่สุขที่สบายเองไม่ต้องปรารถนามันก็ไปเองมันแหละ <c oughs> มันมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างว่าชีวิตนี่นะอันบุคคลผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏ ะ, ะสงสารอันนี้นะไม่ใช่มันไปลอยๆอยไปหาที่เกิดเอาเองอย่างนี้ไม่ใช่ มันไปหาที่เกิดเอาตามความประสงค์ไม่ได้ดอกความจริงนะ <c oughs> มันไปหาเอาที่เกิดไม่ได้มันต้องไปตามอํานาจแห่งบุญกรรมบาปกรรมที่ตนได้สั่งสมเอาไว้ที่ตนยังยึดถือเอาไว้เป็นที่พึ่งอยู่เนี่ย ถ้าหากว่าผู้มีปัญญาเห็นว่าบาปนั่นมันก่อให้เกิดทุกข์ก็เพียนสละบาปนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเมื่อละบาปได้แล้วบุญยังไม่พอบุญยังไม่เต็มนี่แหละมันก็จำเป็นก็ต้องหมดบุญเก่า ในชาตินี้แล้วบุญใหม่ก็พาไปเกิดอีก เ, ออเกิดมาเพื่อสร้างบา ร, รมีนั่นแหละแต่ว่าถ้าบุญมากอย่างนี้มันก็พาไปเกิดสวรรค์ถ้าบุญน้อยมันก็พาให้เกิดเป็นคนขึ้นมาอีกมาก็มาสร้างบุญกุศลสืบตอ่อสําหรับผู้ชอบบุญนะนั่นแหละ คู้ใดชอบทั้งบุญทั้งบาปเอา้าเกิดมาในโลกนี่มันก็มาทำบุญบา้างทำบาปบ้างอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้แหละแต่นี้จุดปุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั่นนะเพราะองค์มีพระรประสงค์ให้คนเรานี่เพียรไม่ยามละบาปให้มันหมดไปก่อนอื่นทั้งหมด อันบาปนี่นหละมันพาให้คนเราเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะให้เข้าใจกันนะอันบุญกุศลนี่ถ้าผู้ใดละบาปไปหมดเสร็จแล้วทําแต่บุญอย่างเดียวบุญกุศลนี่มีแต่จะพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นโดยลําดับเมื่อบุญกุศลมากขึ้นเท่าใดไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายมันก็น้อยลงเท่านั้นแหละแบบนี้นะ มันเป็นอย่างนั้นมันน้อยลงเพราะว่าบุญกุศลนี่มันไปตัดทอนตัญหาความอยากความพัถนาต่างๆให้เบาลงโดยลาดับบุญกุศลนี่นหลยมันทำให้คนเราเกิดปัญญาขึ้นเย่ยนอย่างว่าบุญกุศลมันอํานวยผลให้เป็นสุข อย่างนี้นะเมื่อได้รับความสุขเส้นอย่างว่าเกิดมาแล้วมีอายุยืนยาวนานบอกเพียบพร้อมไปด้วยลาบยศสรรเสริญเลยต่างๆหม่นี้นะคนผู้มีบุญมากแล้วมันมันไม่ติดหรอกมันพิจารณาเห็นความสุขเหล่านี้มันเป็นของไม่กิรังยั่งยืน ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมายินดีพอใจอยู่แต่ในความสุขชั่วคราวนี้เท่านั้นนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าเป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่ามันเหตุปัจจัยที่ตกแต่งความสุขอันนี้ให้มันมันก็หมดเป็ น, นเหตุนั้นจึงว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นแหละ หมายควาว่าบุญกุศลความดีที่ทำมาแต่ก่อนนะมันหมดเป็นนะเมื่อบุญกุศลนนั้นะมันหมดลงความสุขก็หมดไปตามกันนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่หลงไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเมื่อรู้ว่าผลบุญมันมาตกแต่งให้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ไม่นิ่งนอนใจ ใช่กายวาจาอันนี้นะทำความดีเข้าไปทำความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับเช mm ่น hmm. อย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าจะไปขวันขวายหาแต่ทำบุญทำทานด้วยวัตถุเข้าของเงินทองเท่านั้น น, mm hmm. นั่นยังยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ เพียงแต่ทำบุญให้ทานเท่านั้นะก็ต้องมารักษาศีลสกัดกั้นบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นในใจนั่นเพียงแต่ให้ทานเท่านั้นมันยังละบาปยังไม่ได้ต่อเมื่อได้สมาทานศีลนี่ให้บริสุทธิ์รักษาศีลให้บริสุทธิ์มั่นใจอยู่ในศีลจริงๆอย่างนี้ มันถึงสกัดกั้นบาปอากุศลต่งตางๆได้เอา้าเพียงนมพังเดสินเท่านั้นก็ยังไม่พอมันยังหยาบอยู่ไอความรู้สึกนึกคิดอันนั้นนะต่อเมื่อได้มาภาวนาเข้าไปอันนี้มันจึงกาจัดความหลงออกจากดวงคีดได้ได ความหลงนี่นับว่าเป็นกิเลสตัวสำคัญมากก็เพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงให้ทานไม่ได้มันมีแต่หวงแหนมีแต่ผูกพันอยู่กับสมบัติที่หามาได้มันสำคัญอเป็นของตั่วเองทนจริงจังก็เพราะมันหลงก็เพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงได้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น มันไม่นึกถึงชีวิตของตัวเองและบุคคลอื่นเทียบเคียงกันตนเองกลัวตายชั้นใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันก็กลัวตายเหมือนกับตนนี่ถ้าท่านึกเข้ามาเทียบกันได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่เรียกว่ามันรู้อันนี้นะมันเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยความไม่เบียดเบียนกันทนเป็นสุขในโลกตรงกันข้ามความเบียดเบียนกันก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ในโลกอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ต้องอบรมจิตนี่ให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา ที่ท่านกล่าวว่ารู้จักบาปปุนคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นะั้นก็รู้อย่างนี้เองนี้ mm hmm. ดังนั้นเมื่อรู้ว่าความโรคมันเป็นอันตรายแก่ศีลแก่ธรรมทั้งหลายผู้นั้นก็จึงได้ไม่ต์หนีหวงเห็นเอาของเงินทองได้มาแล้วก็แบ่งสันปันส่วน ใช้ายให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นต่อไปเพราะพิจารณาเห็นเหตุผลของชีวิตดังกล่าวมานั้นนะบุคคลผู้นั้นจึงไม่ยอมเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแม้คนอื่นและสัตว์อื่นจะมาคิดเบียดเบียนตนก็ตนก็อาโหสิกรรมให้ไป ไม่ไม่เบียดเบียนตอบอืมพอเห็นว่ามันเป็นกรรมเป็นเวนนี่ถ้าไปตอบโต้กันไปอย่างนั้น น, ะนี่มันรู้อ่ะรู้ว่ามันเป็นกรรมเป็นเวนนะเหตุนั้นถึงไม่เบียดเบียนตอบผู้นั้นก็ไม่มีกรรมไม่มีเวนติดตัวไปอย่างนี้แหละความเป็นผู้มีศีลนนะ่ะอื มันก็มาจากภาวนาอย่างที่ว่านั้นเลยถ้าเมื่อภาวนาเห็นเหตุเห็นปัจจัยแห่งชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นก็ไม่ทําบาปจังว่านั้นไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อละความเบียดเบียนได้จิต <c oughs> ใจนี่ก็ย่อมปลอดโปร่ง ย่อมสบายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละอัธภาพร่างกายอันนี้มันก็อาศัยบุญและบาปที่ทำออกมาเทชาติก่อนนนมาหล่อเลี้ยงไว้หมดบุญหมด หมดบุญหมดาบาปอันนั้นลงแล้วมันก็แตกดับทําลายลงอผู้ใดมีบุญมากบุญมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตนี้ให้ยืนยาวนานไปอผู้ใดมีบุญน้อยบุญนี่มันก็หล่อเลี้ยงชีวิตนี้ให้ไปตามน้อยของมันนั่นเองที่เรียกว่าคนอายุสั้นนั่นก็เพราะว่าบุญน้อยเรื่องมันนะ่ะ <c oughs> ผู้ใดมีบาปบาปมันก็ตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์ให้ถึงความวิบัติแปรปูวนไปอยู่อย่างนั้นปกติอยู่ไม่ได้ดวงกิจที่อาศัยร่างกายอยู่นั่นก็ทนทุกข์ทรมานจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายเพราะว่าอายุของบาปนั้นมันยังไม่หมดมันก็ต้อง หล่อเลี้ยงร่างกายนั้นให้เป็นอยู่ไปด้วยความยากความลำบากไปอย่างนั้นเนี่ลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ไอ้นักปราชญาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่แหละก็ถึงได้เบื่อหน่ายในขั้นแรกนั้นท่าก็เบื่อหน่ายต่อเหตุปัจจัยแห่งบาปนั่นแหละคน ก็เพียรละบาปนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปในขณะเดียวกันก็เพียรสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆไม่ใช่เบื่อหน่ายได้ละไม่ทำอะไรอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะมาอุดหนุนใจนี้ให้มีสติมีปัญญาเข้มแข็งละ กิเลสตัณหาได้แล้วดังนั้นเมื่อลาบบาปแล้วก็ต้องทำบุญต่อหนี่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็น อ, อย่างนั้น <c oughs> จนก ว, ว่าบุญนั้นมันจะเต็มบริบูรณ์เมื่อใด <c oughs> เมื่อนั่นแหละมันจึงจะได้ยุติลงจากการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง เนียว่าจากการขอนขวายสั่งสมบุญกุศลอย่างนี้นะไม่มีแล้ววันนี้เหมือนอย่างพระอระหันต์ทั้งหลายนั่นนะท่านทำอะไรก็ทำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกต่างหากเนละไม่ใช่ทำเพื่อท่านนะท่านทำความดีอะไรก็ดีอย่างนี้นะ <c oughs> แต่สำหรับจิตใจของท่านนั้น ท่านละอุปทานหมดแล้วบาปท่านก็ละหมดแล้วบุญท่านก็ทาจนเต็มบริบูรณ์หมดแล้วบุญนั่นมันก็ทำหน้าที่กำจัดกิเลสออกจากดวงขีดนี่หมดสิ้นไปแล้วบุญนั้นมันก็ดับไปแล้ว <c oughs> ก็มีแต่ดวงขีดอันบริสุทธ์ตั้งอยู่ภายในนี้เท่านั้นเอง <c oughs> แต่ว่าบุญที่เราเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ก็ยังอยู่อืาหมายถึงบุญเก่านน่นนะบุญใหม่ที่ท่านสั่งสมอบรมมาเกิดขึ้นในดวงกิดนี่อันนี้มันทำหน้าที่ขจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปแล้วมันก็ดับไปอมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปเข้าใจค่อยเขเข้าใจให้มัน เขียมแจ้งเพราะว่าบุญนี่มันก็เป็นสังคัจธรรมเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งมันหมดเป็นเมื่อสิ่งใดที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเมื่อหมดเหตุหมดปัดจจัยไปแล้วมันก็หมดไป <c oughs> ร่างกายอนี่ก็เหมือนกันเนี่ย พอบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันยังอยู่มันก็ตั้งอยู่ได้ร่างกายอันนี้นะเป็นไปได้ต้องพิจารณาให้มันเข้าใจโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้มันจึงไม่สงสัยมันจึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายหมายถึงบุคคลผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมด ถ้าหากว่าได้พิจารณารู้เข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเท่าไรหรอกถึงจะกลัวก็กลัวบ้างนิดหน่อยพอมันตั้งสติได้พิจารณาได้มันก็หายกลัวแต่สำหรับพระอรหันต์แล้วความกลัวนั้นท่านละขาดไปหมดแล้วดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลาย จึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยอันตรายใดๆในโลกนี้ทั้งหมดเลยเฉนั้นท่านจึงไม่มีทุกข์อยู่ในใจแม้แต่น้อยเดียวความกลัวนี่นอนะอรัพ ต, ตะผลนอนอรัพย์ตะมักนนตัดขาดได้ถ้าอารหัตตะมักยังไม่เกิดแล้วความกลัวยังมีอยู่นั่นแหละ ต่างแต่มากและน้อยเท่านั้นเองดังนั้นความกลัวนี้จึงชื่อว่าเป็นกิเลสอันละเอียดไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเลย <c oughs> ดังนั้นนะผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากัน <c oughs> จดจำเอาอุบายธรรมะที่บรรยายฟังมานี้ แล้วเอาไปสอนจิตใจตัวเองเข้าไปกะหวังว่าคงจะละบาปและบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในตนจนกว่าบุญนั้นจะเต็มบริบูรณ์แล้วเราจะพ้นทุกข์ภายในสงสารดังกล่าวมา